บุ๊กทูสามสหการขนส่งมวลชนศศศศป้ายรถโดยสารอยู่ที่ไหนครับรถเมข์นไห น, นไปกลางเมืองครับ ผมต้องไปสายไหนครับผมต้องต่อรถไหมครับผมต้องต่อรถที่ไหนครับตั๋วรถราคาเท่าไหร่ครับ กี่ป้ายก่อนที่จะถึงกลางเมืองครับคุณต้องลงรถที่นี่ครั บ, รบ ค, คุณต้องลงข้างหลังครั บ, รบร อ, รอีกห้านาทีรถไฟขบวนต่อไปจะมาครับ อีกสิบห้านาทีรถรางขบวนต่อไปจะมาครับ н а с т у п н ы т р а م в а й буде พรัสเดซวิลินอีกสิบห้านาทีรถเมคันต่อไปจะมาครับ н а с т у п н ы ออทูบัสบูเจพรัสเปียดนาซิวิลินรถไฟใต้ดินเที่ยวสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ к а л ี่ยดิอาพุชนิที่อภนิคเมร รถรางเที่ยวสุดท้ายเมื่อไรครับรรเอ่่ ย, ยไร ค, ร ค, ยคุณมีตั๋วรถไหมครั บ, บตั๋วรถหรือไม่มีผมไม่มีตั๋วรถครั บ, บ งั้นคุณต้องเสียค่าปรับครับต่ดิฟัมด้ยึด Certificate of